คดุดได้บอกวามีราูมาอี แ, แต่สาคัญเราต้องเข้าไปอยู่ในมือเวลาค่วันนี้จะต้องแต่งทหารรอบรัทางมาปลข่ายเราเป็นมั่นคนนี่คนได้ตามมาโดยยนี้าาราจะฟัให้แตงเกลียเชืเเอเลิไปนนมากเกลียทหารเนี่ึุ้่อยู่ในป่าของข้างทางคอยสกัดทพมาอีจะยกมาคามั้งเวลาสองยามเศษเตียวครับทหา เยกวัตักพามาทันบ้านหลังเนี่ยเข้ามาเข้ามาจนใกล้จะถึงข่ายแล้วท้าเนได้ยินถึงคนดํนเดินเขาก็ยังอยู่หยุดก่อเดียวครับก็ขับมาตะลบรังเลยมะเรื่องฐานต้งเดินขึ้นเดินล่าหลังนี่นะให้เดินก็ได้ทนกก็เตือนกุญเชือเ้อเพลงที่ฐานคนเล่นชักเอามาสกัดหลังไว้ก็ปกใจก็ให้ฐานเข้ามาให้ถอยลงมา ขณะนั้นเองก็ได้อ ย, อยินเสียงประพัดไปยังปางว่ามันวันไวแสงโถงสวางขึ้นรอบเตลเลยทหารในป่าคือฐานของเ่งที่เขาบรรล้อมด้วยชั้นหนึ่งเนี่ยก็ร้องร้องเข้ามาตัวของเบงเองอยู่บนเนินเขาร้อนลงมาทีเดียวซูมาอี้สําคัญว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในเมืองสั่งให้ท่านมาเป่ดค่ายเราหรือบักน้ เปองเด็ดกล้วยไมของเราชนี้แล้วเร่งเข้ามาทมมามักเราไปโดยดีเถิตัวท่านก็เป็นทหารเลยหาที่ได้นับผือไหมอย่าได้คิดอายถือตัวอยู่เลยผมเนว่าอย่างนี้เตียวขับไม่ใช่ทหารเลยมีตเตยขับมีทหารใหญ่ทหารเก่าแก่อนนเรียกกันว่าทหารใหญ่เอรุนแร็คแร็เลยทีเดียว ทับดินของเบ้วมันมก็เกรดเกาแฟงมาที่หน้าของเล่นเลยนี่เป็นการกระท า, ก, ทากันมึงหยากหยาบที่สุดแต่วก็ด่าว่ามึงเนี่ยชา้ามันเนาะตลบตัเป็นใหญ่อมอ่ะเรืองมาถึงแดนเมืองกูกูจะจับเอาตัวมาสัแบแค่ะและเอียดนี่ในการปลืนแขนคอนี่เขาว่าอย่างนี้แล้ว เ, เขาก็ขับมานบน ข, ขาึ้นไป็นภูเขาจะจับตืของเบ่งอ่ะทหารทั้งปวงจะเอาก้อมหินกาทัง กรด็นยิงลงมาเตียวคับขึ้นไปก็ขึ้นนี้ได้ก็เป็นฉากมาถอยมาขนบ่งก็ใส้ทหารไล่ค่าปังทหารเาาตาารเียวคับเจ็บปัวเห็นบาดเห็นปาเป็ น, ม า, ม, ปาปน ม, มากทีเดียวเตียวคับต้ยหลิงนายพี่กูก็ต้องบาหน้าออกมารถบาสเตอร์ออกไปตเตียวคับดิก็นหางมีฝีมืออยู่ท ห, หารขง เ, เรา ง, างเด่งน่ยตัวฝีมือเตียวคับแต่บป้าผ่านเตียวคับก็ต่างผ่านว่านีได้ ก็ต้องแยกทางให้ปัดต้องเปิดทางให้ขณะเลือเตียวครับหากออกมานี่ยนะวันนั้นคงเด้นแลดูอยู่บนเนินเขาะเห็นการขี่รถของเตียวครับก็สรรเสริญเหล่าเตียวครับคนนี้ได้ยินชื่อมาช้านานวันนี้ที่ได้ประจักษ์แต่ตาเราเข้มแข็งพ้นกำลังนะทหารคนนี้ เมืออยู่สืไปเมื่อหน้าก็จะเป็นอันตรายแกเราจําจะต้องกําจัดและให้ได้ดีคงเด่นจําเป็นแล้วจะต้องวางแผนการบริหารหลักตัดเกลี่ยวขับออกจากบัญชีคนเหลือจำจะกำจัดและให้ได้และคเละะะ ง, งเด่นนั้นก็ยกทหารจำเพียงกลับเข้าข่าย ฝ่ายซูมาอีะจากแจงฐานเกยโยกมาก็พอดีเตียวพับไปหล่นเฉลืิดเฉลนกลับมาแล้วนี่สมาอี้ก็ตกใจเหมือนกันสองนายพับใหญ่นีเฉลือดเหลิกลับเข้ามานี่ก็ถามแบบเปนเหยุที่ไหนที่กลับมันอย่างนี้เตียวพับก็เล่าในความไตกต่างที่ประการแหละคือว่าที่สมาอี้คิดแผนการว่าคงเดงจะต้องเข้าไปอยู่ในเมืองนะคงเดก็นาใจา่านแม่พับ อ, อ คนเบ่งกินวานอุบายซ้อมโอนตีทั บ, บกระเจีาทั้งสิ้นแตกยับเยินแม้แต่ชีวิตกระเบทั้งสองนี่ก็แตกจะเอามรอดซุมาอีาเ้เด็กแจ่นี่ก็เสียใจเด็นที่สาคัญคนเบ่งตะโกนว่ามาเด้นเนี่ยเตียวับแต่ให้นานไั้หมดแหละสุมาอี้ถึงเสียใจทีเดียวและก็รูว่าคนเบ่งนีม้มีสติปัญญาสามารถนะ เดชุมายก็สั่งอาหานทั้งตัวยกกลับเข้าค่ายเดชุมาีก็ถิอว่ามีเสฉวนจะเป็นทางไกลอาหารทั้งตัวได้กระเดียนอ่านน้อยกิน ร, รีบมาทำการรบปราถนาแค่จะได้ช้ชนะเร็วๆแม้จอกรบเพิ่มเรนะื่อยระบัดนี้ก็วิตกจำเรอจะต้องปังมั่นรับไว้ให้เนิ่นช้าเมื่อกระเดียนอาหารฝ่ายเสฉวนขัดขืนเรืองอะไร เฉยชวนก็ต้องเลิกพักกลับไปเนี่ยมันมีซูมาอีมาประมาณการนี้อีกแบบหนี่งเอว่าสู้โดยไม่ต้องสู้เพรเรือทหารมีเสวนรีบ ม, มาหีิแล้วก็ระยะทางไกลสะเบียนหรนม้มันไม่เท่าไหระลรอก็เลยใช้วิธีสู้โดยไม่ต้องสู้คือตั้งมั่นไว้อย่างนี้และแต่นั้นมาซูมาอีก็อนที่จะให้ทหารออกซึ่งรบเลย สถานการณ์ของตมดีพอแล้วเนี่ยก็ไม่ออกรบละฝ่ายขนเด้งเนี่ต้องรบก็แต่งสถานเป็นยืดสซุดเป็นหลายครั้งซูมาอีก็ไม่ออกรบที่เออเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสิบสี่สิบห้าวันมีสถานการณ์ทางกองทัพเสฉวนของขนเด้งก็ต้องเรียกว่างแย่ละก็อยู่อย่างนี้ เี อ, อาหารมันกมีตะบะเตงไปบบตะบะเตงไปก็อพอดีบิพุีเดชทุนสูของพระเจ้าเหล่าเสี่ยนมาถึงของเบิว่าแบบนี้รู้ขาว่ามหาอุปราชตีได้เรื่องเงินสองพันเบนก็มีความยินดีนะซึ่งมหาอุปราชมีโทษแต่ก่อนนั้นให้พ้นโทษแล้วโอ้นี่มีมีรับสังมาพรานะเจาทานอรโทษกับของเบิ ที่ผมเบ่งเรี่องโทษคนเองขอเดี๋ยวนำลมักสารขั้นที่เสียเก่งผ่าแท้สิครั้งก่อนนี้นะี่บัดนี้รับกรรมาอย่างนี้ละให้พ้นโทษแล้วเกนลด้คนอยู่ในผานาสักเมืเ่เถิดผมเบ่งแจ้งดังนั้นก็ยกมือขึ้นถวายบังคมคำนับรับไปรับฟังก็ะจะยากเสียงตามประเพณีและวอ ย, ยีวี หรือหนงสือใบบอกปลาปูกลาไปมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนิดนึงมีจะเป็นการให้กำลังใจแก่ขุนทหารผมไม่ได้รอเคลื่อนเองฝ่ายของเบ่งนะก็คิดคุบายแกเลี้ยงสูมายอีกก็จินให้ทหารถอยออกจากค่ายมีค่อยถอยเลื่อนลงไปแต่ตั้งอยู่ทางประมาณ300ส0มร้เซนผมเบ่ ง, งสั่งถอย ชายของสมาอีตีมาคอยสอบแนอยู่เ น, นี่ยดตาควนี้เขา่อข่านีไปแจ้งแกสมาอีระบักนี้ค้งเ่ยทัถอยไปแล้วุมาอีพูดจริงว่าคเงเบ่ทัถอยไปแล้วอย่างนั้นหรือที่ค้งเบ่งยกไปมาบักนี้ปราถนาจะเลี้ยงเราให้ ถ้าเราตามพับของเบ่งไปก็จะต้องเด็กคนอุบายเขาเป็น น, นั่นคอซูมาอีไว้ยังเตียวครับเตียวครับอานอารเอกสาเสือนิดหนึ่งระหว่งนั้นเถอะก็คื อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ ว, ว่าคงเบ่ขับสน็จกระเด็นอาหารถอยพับไปเหตุใดต้องกินนี่ยยกอาหารตามไปเจนตีจะมาคิดวิตรกตัวเด็กคนอุบายผมเบ่งเดยเหตุอนัอออนใด ว่าอย่างนั้นจะมาวิตกกลัวอุบายอย่างไรชูมักนี่ก็จริงว่าเนี่ยปีก่อนนั้นเราก็รู้ว่ามีนเสฉวนได้ข้าวปลาอาหารห่าและแบบนี้ก็เป็นเทศกาลข้าวโพดสาลีกองทันของเบนจะกินไปได้อีกขึ้นปีไม่ขัดสนซึ่งที่คนเด่กระทาการเนี่ยคือถอยทัพไปเนี่ยที่ทาอย่างนี้เป็นกล เรือเราจะตามไปนี้ได้สมยชิกก็ยืนยันเชนนีกับเรียวครับและสมาชอกก็คนไปสูตรีอีกคนไปสูตรรับมากรายงานว่าแบบนี้คนถ้าโผล่เดีงยกไปตั้งอยู่ท้นที่นั่นออกไปอีกสามร้อเส้นแล้วคือถอยอีกแล้วเรียวครับก็จริงครับคนเด้งขับสมบียนอาหารแน่แล้วคเัเจ รีบยกลี้ไปหรือกลัวเราจึกลัวเราจะรู้จึงทาทีทําค่อยถอยค่อยเลื่อนไปแคนี้ซึ่งทำจะไม่ให้ตามไปนั้นนายขบเจ้ไม่เห็นด้วยนี่เตี้ยวขับว่าอย่างนี้ซูมาอีตำแหน่งแม่พับผู้ดีอาญาสิทุกประการแต่ก็นั่นแหละก็จำต้องฟังความพิเห็นของนมยพับนายกองบ้งตามสมควรน่ะเนี่ยเตี้ยวพับก็ถือว่าตนเองเป็นผานเอกผานเสือผานทั้งที่หนึ่งที่หนึ่งสำคัญอยู่ ออกความที่เห็นนี่ยจะต้องฟังให้ได้ตามเกทย์ปีคองเบงได้สซูมาอี ก, ก็ห้ามดีกระว่คนเด้เนี่ยแยกทายมากมายนะัดที่จะทำอุบายรวงเราจะตามไปน่ะจะเสียทีสมมาอีก็ห้าีกะไม่ยอมให้ฟังรั้นรูเช้าสูมาอี ก, ก็เขา ไ, ไปาส่งนี่คนไปสืสอบเน้นเทิกกะมาบอกว่าคนเบงยกข่าย ไปแล้วไปตั้งข่ายพ้นจา ก, ก300ี่นาบิคสามร0เซนนี่คือเคลื่อไ ป, ประยะห300อเซนเครื่อนไ ป, ประยะหน300ึ่าเซมาพิเคลื่อนอีกแล้ว300สเอเซนเตียวครับก็จริงวะนี่เตียวคลับมั่นใจอยู่วะโค้งเบ่งเนี่ยยกหนีไปจริงๆท่านแม่พักจะไม่ให้ตามไปนั้นน่ะมิชอบข้าพเจ้าจะขออาสาตามไปตีของเบ่งให้จุ่มได้แม่เสียทีแก่ห่าสิบมา ข้าพเจ้าจะให้ศีรษแก่ท่านแต่เพราะว่าขอท่านจงเย็บหนุนข้าพเจ้าออกไปเรื่อยแถนั้นแหละนี่เตียวครับตกอยู่ในกลมลวงของคนไบ้งจริงๆแล้วบางคนไบ้เห็นเตียวครับรบสามารถนะแล้วงไม่ได้ยังแน่นหนาแล้วเตียวครับยังหนีไปได้ขงเบ้งิึงจาต้องคิดตัดเตียวครับออกจากบัญชีคนนะ ยิงานแผนจะนถอยไปถอยไปถอยไ ป, ยไปจนเตียวขับพลไม่ได้แล้วเนี่ยถวายหัวเลยซูมาอี้ก็ห้ามเตียวขับหลายครั้งเตียวขับจะไม่ฟังซูมาอีก้กขาจริ่าเลือกัน่จะไปให้ได้ก็ตามใจเถอะแต่ว่าจะไปแต่ลำพังไม่ได้กลัวว่าคนเมื่อกี้ซุ่มทหารย้ายก็จะเสียทีเราจะยกทหารหนุ่มไปด้วยถ้าเพ่งพร้อมก็จะได้ช่วยกัน แม้ได้รบกับขงครั้งนี้แล้วอย่าได้ยอดย่ำเลยท่านจงขับทหารเร่งหักหมจะไปไจงสามะแตเราจะคอยหนุนสมัยอีกกล่าดังนี้คือยอมะครับแต่สมัยีกก็การเตะทหารให้เตียวทับและใต้เลงสมหมนและกำชับอกเวลาพิ่งนี้ท่านเดอไปพันทัพขงบ่งก็อย่าเพึ่งเข้าตีจงพักทหารจะให้สบายใจกว่า คอยดูท่วงทีโขงเบ่งอยกจะคำประการบดบ้างเปรียวครับไต๋หลิงก็รับคำครั้นเวลาเท้าก็ยกทหานออกไปตั้งค่า ย, ยู่ตามพี่สุมาอี้สัม่านสุมาอี้ก็ยกทหานหนุนออ๋อ สุมาอียกตา ม, มาเวลากลางคืนขอยกฐานนายทัพนากองทั้งสองมาปึกษาทีเดียวว่าสุมาอี้ยกมาทางนี้เห็นจะไดรบพุ่กับเราเป็นปลวกทันทนะจะต้องถึงแพ้เลยชนะกันเป็นบัน่นคงในกองทัพเรานี้ก็ไม่เห็นมีผู้ที่จะหาสาออกต่อสู้เดชทหารร้อยคนพันคนแต่เพเดียวได้เลยนี่ มยความว่าทหารเสือที่จะสู้คนเป็นรอยเป็นพันได้แต่ออยังระทิ่พ่านมาที่ขุนไบงมีทหารที่ไว้วางใจได้กันหนึ่แพทิงโยนอูเตียวฮจูลนีแบบนี้ไม่มีเหลือแล้วขุนเบงบาร์ดยังนี้แล้วก็แลดูอุยเอียนแล้วก็เติมมาชะที่วมที่ตนนี้ก็อยุ่ยเอียนเนี่ยฐานเก่าที่มอยู่คนเดียวนี่ องเป่งองเป่งก็ตรีว่าครั้งนี้เข้าพเจ้จะขออาสาท่านไดถึงขนาดองเป่งก็ตรีว่าท่าพักมีต่อเราแต่ขออาสาก็ขอบใจอยู่แต่เพระว่ากองทัพทูมาอีกครั้งนี้ก็เข้มแข็งนะไม่เหมือนทุกครั้งแม้เสียการของเราไปอจะทําประการได้องเป่งก็ตรีว่เข้าพเจ้จะอาสาไปครั้งนี้ ใช่หรือจะอะไรกับชีวิตกว่านิบไดถึงจะเป็นประการใดอย่างไรก็จะสู้ตายหากเสียการไปข้าพเจ้าก็จะขอให้ศีรษกแก่ท่านองเป็นถวายหัวเลยคนดูเหตุกา น, นก็สนเสริญว่าองเป็นสักผู้พักดีต่อเราจริงๆแต่เพราะว่าตัวท่านผู้เดียวถึงจะมีศีรษะแข็งแก่งกว่าดี ทจ้าชู้เดต ม, มานี่นั้นก็ ห, หอลตัวนะเราคิดจะให้ผู้ใดออกไปช่วยท่านเป็นสองคนเ้ยวยกันแต่ก็ยังไม่เห็นหนใครเลยผเบ่งคำวนปรารอย่างนี้เตียวเอกก็ X, จลิงพูดขึามหาอตตราฏย ว, วิตกเลยเข้ามาใจะขออาสาออกไปช่วยองเตงทางการเองผเด่ก็จิงบเตียวครับ ทหารซูมาอี้คนนี้เนี่ยมิเช่พอดีนะเขามีฝีมืออาถานนะท่าจะอาสาออกไปนั้นเรานยกฝีมือจะสู้เปียวครับนี้ได้หรือเอ็ฟังคนบิ่งว่าอย่างนี้ก็คือตัวเขาเว้ารเจ้ารก็นับว่าเป็นทหารคนถึงเตียวครับจะมีฝีมือถ้าราชการจนน้กลัวผิดนักก็จะขอสู้ตาย ้และเพื่อนแพางเสียการของท่านค่อยดศีรษะเข้าไปเจาะเถอะนี่ถวายหัวกัเป็นสองคนละของเบเด็กฟังเช่นนี้คือต้องการความแนนอนมั่นใจจริงของทหารติดท้าออกไปเนี่ยโคกหลงจิงไทวิธีการอย่างนี้ผองเ่งเด็กงนี่ก็ชอกใจก็จิว่าถ้าแต้มนั้นท่านจงคุมทหารคนละหมื่นยกไปสุดหยุดทางฟอกเขา ถ้าเห็นทหารกองหน้าจูมาอียกมาก็จงปล่อยให้ล่วงเขามาก่อนเถอะอย่าได้กระทุ้งประการใดเลยแม้ยินเสียงทหารเราจุดประทัดโอร้องขึ้นแล้วทั้งทั้งสองจงยกตาลังปิดหลังปีกนาเข้ามาหาเราถากองทัพจูมาอียกร่นมาช่วยจึงให้เดียวเอ็กแยกทหารออกรารับกองทัพจูมาอี อย่าให้เข้ามาช่วยกันมาแล้วเราจะคิดเป็นอังมินไปช่วยทำอองเป็งเปียวเอ็สองมายก็รับคำแล้วไปยกการคนลมื่สองคนก็สองมือไปซึมอยู่ตามคำสั่งแบบจากนั้น6หลงดาเนินการต่อไปก็เรียกหาเกียงอุยนี่ไม่ใช่อุยเอียนเรียกไปเรียกหาเกียงอุยเข้ามาคนละอีกคนนี้ คือเลียวหัวเลี้ย ว, ว่ัในการเก่าแต่คั้งเก่งจิควคู่ใจกวนอืน้อหนเลียวหคนนี้เอคของเบ่งก็เด็กเงเลียวเขมามะแล้วก็เขียนหนังสือเข้าผนิตฉบับและสัง่งะทจงคุม ด, ด่านสามพันกไปซุ่มอยู่บนเข า, าเห็นทหารซูมาอี้ล้อมองเป๋งเตียวเอ็กวายแต่แก้ตัวไม่ได้แล้วจริงๆผนึกออกดูหนังสือ แล้วก็ทมตามอุบายของเราเถอะนีอุบายจะยไม่บอกเดี๋ยวนี้ไปบอกตอนนี้หั่งนั้นไว้เป็นที่เราจริงเอาเอาออกดูจริงเอวะก็รักกันคำั้นรั ก, ก, ก, รกรบัตินไปผมเบ่งก็สั่งต่อไปทีเดียวงอี๋งอปันมาตรงเรื่องนี้ยังไม่มีมเงินสั่งซื้อทหรที่นี้ การ์มาอีกยกมาท่านกณฑ์ได้เอาชัยชนะเลยนะจงออกไปรบทาเป็นแพเพื่อรบรางถอยพลันแมเห็นลวนหญินคุณฐนยกปีเข้ามาแล้วทนจงตอบหน้าถืนตีขนาขึ้นมาหัวอีวางาะปต้นมาตงตงนีก็รับคารับแพนี่แล้วก็อุฐานไปต้องคอยอยู่คนสุดท้าที่คนได้ฝันก็คือกวนหญิง ผม่งก็เรียกคุณหินจะมาฟังให้คุณทหารห้าพันไปขึ้นหรินเขากำหมดว่าถ้าเห็นเต็นแบงบนผูเขาโบกขึ้นแม่ใบให้คุณะหารตะลีหักเข้าไปในกองทัพฟูมาอีดีคุณหินได้รับคำสั่งอันสำคัญงานอันสำคัญนี้พีเดียว ครั้งรุ่เช้าเปียวรับผู้กรยเฮี้ยนก็หู้วที่จะเอาชีวิตขอได้ให้ได้เปียครับกต้หลิงก็ยกทหตามมาก็พกับกองพับงออีกงอปั่นมาตรงเียงนี้เอาก็ขับทหารเขารบพุ่งเป็นศอกมากเนี่กองพับเสฉวนคือกองพับงออีกงอปั่นมาตรงเปียวนี้คนเร่ฟสังแล้วเพื่อจะได้เอาชายชนะเลยเคื่อรถไปถอยเนี่ย เอากองทัพไประพาะรักตามเพลงรบพอสมควรแล้วก็รบรอถอยรามารบถอยถอยรบขบระพระรักามแล้วก ok. ็ถอยเรามาเตะทางประมาณถึง400ซนนี่กระถนะนั้เป็นดดู nee. ิมันาีเนี่ยโอแต่มันไมําลังคือบุกกรนมานไม่เป็นดูร้อน เีเมื่อไยโศมตัวทุกคนเหนื่อหอบถอยแรย ง, ยนะยงเดินตามตากันขนเว่งนักขึ้นไปอยู่บนเนินเขาแลลงมาเห็นทหารี่มาอีกอิดโรยถอยกระเดงไปตามตามกันนได้ทีหัวชนี้ก็ใยทหารโบกธงแดงเป็นอนณสัญยานเอื้องหินคอยคาสั่งอยู่แล้วคอยจ้องดูธงแดงจะโบกเมื่ อ, อไรบมกนิ โทแบงอะไร ส, สัญญาณสงคญาโบกขึ้นแล้วเวียนหินขึ้นตั้งซุ่มอยู่นั้นก็ขับทหารฝ่าฟันเข้าไปทีเดียวมีคว่ำหินตีนเข้าไปเลยงอปั้งงออีกมากจนเป็นนี้ที่รถแล้วหนีรถแล้วถอยบัดนี้ก็หันกลับตีกระหนาดขึ้นหลังขึ้นมาเปียบขับใต้หลิงก็ไมีถอยหนีเปียบขับไม่ยอมถอยขับทหารตีกระดุมบอนเข้าออ ม, มาจนอรมานทีเดียว องเต็งเตีเอมีซูาอีหวังที่จะตัดเกียวคับออกจากบัญชีคมยึดจำได้เนี่ยก็วางแขกในสําคันเลยนี่องเต็งเตีอคนสำคัญทีเดียวระทีต้องเป็นเต็มกับเตียวคับเนี่ยองเต็งเตียวเทีกเบ็นี้ก็กฐานสักการออกมาหนีรุ่ก็นาเข้ามาอีกนี่องเต็งทังหนึ่งหงเตีออีกหนึ่งหนึ่งซึ่งสองข้างทางเนี่ยคุณหาเงินนำเข้มารุ่งค่าฟัน ทหารเตียวขับปลายเล็งเล็มปลายเป็นอันมากทีเดียวชูมาอี้เต้นดังนั้นน่ะก็ยกขับหมิ่นเข้ามามีแานที่เตียวขับขอชูมาอีเวลาเมือนกันแต่ชูมาอี้ก็ปราณนา ท, าทั้งนี้ก็ไม่อยากแค่ถังต้องสูญเสียนะ่ะก็ยกขานหิ่เข้ามาลองออเป็เงเียเอกาวากลางเียเอกก็แยกถงออกรับชูมาอีกอง น, นี้แล้วก็ต้องรบกับพวกเตียวับเนี่ย ร อ, ง, อ, อ ง, งก่งกลัวหนีกตากกระโดงปีเกียวครับแต่ไปเห็นก็ไปท่านทั้งสองฝ่ายทอทีอ ท, ทอดบกกันเป็มสนามตอนนี้เป็นสุดใหญ่สุดสําคำทญเลทีเดียวดีบระจัญประจันกันไปไเอาพกชนิดประดานี้ที่รบ ก, กันล้มไปในที่รบีมากกว่ามากาก็ลมไปยกนั้งสองฝ่ายนี่แหละแต่ใครแน่าจะเป็นของฝ่ายใดอ่ะ เพียงอู๋กับเรือหัวบนูเขาเห็นฐานคมาอีเขออ้าล้อมอเป็งเี่วเอ็เข้าไว้ดิเตรีรับคาสั่งเลยแหละแล้วก็รบพุ่งตะรุนบอลกันจนอ่อนแล้วเนี่ยเอากล้อนึ่งมาชี้แผนนีงสือที่มได้ให้มาออกอ่านดูหีือคุณจะรับคาสั่งในตอนนี้หละหนังสือนั้เป็นใจขวานวะถ้่ากองทัพคมาอีล้อมองเป็งเตี่วเอ็เข้าไว ให้ยกทหารไปตีค่ายซูมาอี้ซูมาอี้ก็จะยกทหารขอยกลับไปถึงจักรนี้ได้ค่ายซูมาอี้ก็เป็นความชอบใหญ่หลวงอยู่นี่แผนเหกหลงเพียงทีเรี้ยวหัวดูถีอยู่แล้วกนนี้ชิงซื้อออกมานเลยกันนี้รับษาคําฝั่งแล้วจะมีเนี่ยก็นี่คุณทหาไปชิงค่ายซูมาอี้ ไปชิงเอาค่ายสุมาอี้ได้ในขณะทว่สุมาอี้ยกฐานออมาจากค่ายเนี่ยสุมาอี้ก็กลึงใจอยู่เหมือนกันก็วางฐานรายไว้ตามทางเรื่มา น, นี่แหละทหารที่อยู่ตามรายทางน่ะก็รีบเอาความนี่มาบอกแกสุมาอีอส้สิว่าบาัดนี้ของดึงให้ทหารกองนี้ไปชิงค่ายทําได้แคแล้วสุมาอี้รุ้นก็ตกใจก็กึงว่า รู้อยู่รก็รู้อยู่แล้วว่าผมได้ทำโกนแต่ท่างทั้งปวงก็มีฟังคำเราจนเสียการสูมาอี้ว่าดังนี้ละอยถอยทหาจะจะไปชิมเอาไข่คืนฝ่ายเตีเอนี่ทารของเด็กแต่ทีนีนก็เด่งฐางเป็รนาดเข้ามาเลยทีเดียวตนยย่นี้ชมาอีสัถอยทีหลังชูมาอี้ที่กำลังจะถอยน่ะ ก็เรีเยนรแต่ตูนล้มปลายจะเป็นอันมากทีเดยวเตียวขับไต่หลิงเห็นเสือทีทดังนั้นก็ทิ้งทหารเสีอรบหักหนีออกไปเอาแต่ตัวรอดมีระมิดไว้จะนีโรเตียวคับไต่หลิงโดยที่เตียวขับเถอเก่งก็เก่งพิมุสามารถแต่บัดนี้ต้องรบหักออกไปหนีเอาแต่ตัวรอด เกียงอีเรียวหัวถูกไปชิมข้าสุมาอี้ได้แล้วเห็นซูมาอี้แตกกลับมาก็พาฐานออกจากข่ายรีบมามันจบกับนายทับนายกองทั้งทีละแล้วก็กลับมาหาขงเด้งเพราะไม่จําเป็นต้องอยู่ยึดข่ายจากการเดากระทำเพื่อสุมาอี้ถอยเท่านั้นนย่ที่ปลายซูมาอี้การกลับมาถึงข่ายเห็นฐานคงเบ้งยกออกจากข่ายกลับไปหมดทิ้งแล้ว ก็พาฐานดั้งตวงเข้าไปในค่ายคเบุญยังไม่อาที่จะลตเตี๋ยวขับออกจากบัญชีคนได้สำเร็จเตี๋วขับแล้วตัวรอด แต่ยังไรก็ตามเปรียบครับให้คํามั่นสัญญากับชุมานี่ไว้แล้วถวายหัวไว้แล้วเนี่ยนี่ชูมาอีกล้าเข้าเป็นข้าแล้วเนี่ยก็ว่าแต่นายทัพนายกองทั้งปวงทีเดียวเราว่ารู้อยู่ว่าเป็นคนของขุนเด้งแต่หามปามพักผันคนทั้งปวงก็ไม่ฟังเราจึงเสียทหารและเครื่องาปาบกาบุตแต่นี่สือไปเมื่อน่ะ อยู่ได้ม่ฟังเราขรับถึงไม่เสียการดูห น, หนึ่งครั้งนี้เราจะปัดที่ฝากเสียสุ่มมาอีกเพื่ประกาศอายาสิต้องเป็นตอนนี้ในขณะนั้นคนถึงได้ซื้อมาแต่เินองเสฉวนเข้าไปแก้ไขคนเบ็ดว่าบาัตนี้เตียวเป่านั้นเตียวเป่าติดติดตามเตียวครับตอนนู้นนะแล้วก็ตกเ ชตอนนี้แล้วก็ตกจากม้าลงไปศรีรษะกระแทกฟนะิราณ์แรงงานว่าเตียวเปลานั้นหมอพยาบาลบาดแผลที่ศีษะกระพุ้งฟิรากระเบิดมากไปถึงแก่ความตายเสียแล้ว เ, เตียวเปลารูขัดเสือเลือดเนเตียวหี ที่เหลืออยู่เป็นเพื่อนรบอู้งใจได้ก็ตายไปก็แล้วคนเบ่งแจ้งว่าเตียวตายก็ร้อมให้รับเกณฑ์อาเจียนออกปเป็นโลหิตแล้วก็สลบไปเลยทหารทั้งปวง ก, ก็ตกใจก็ช่วยกันเข้ามากแก้ไหยจนฟืน้นขึ้นตั้งแต่นั้นผมเบ่งก็เปล่อยมากเล็นอนอยู่ลุกนิดหนย นายนายกองทังวงก็พากันเป็นทุกข์ท่าอยู่มาสองวันผมเองก็กินให้หาตั้งขวกับเตี้ยมเขียนสองคนเข้ามาแล้วก็บอกว่าบัตรนี้เราป่วยนะจะว่ากลาบังคับกิจการสื่อไปก็มิบดยเราจะเลิกทัพกลับไปมนเสชวนเถอดแต่เ้าว่าอยาให้อุตกสาหะ รู้ไปถสุมาอียะสุมาอก็จะยกทัพติดตามเราเราจะถอยไปนิดคดูท่านจนบอกแกทหานทุวกวงให้กระเรียนเปลือยให้ถอนผมเบ่งสั่งแล้วฉะนั้นพอเวยาคัค่อยทหานเลิกครับหลบล้บถอยกลับมาเมืองหันตงห่นสุมาอียราจะรู้ ว่าคงเดเลกักกลับแล้วมันก็อีกห้าวันต่อมาสุมาที้จ็รู้ว่าคมเด้นเลกิกทไปแล้วสุมาอีก็ทอดใจเรื่งทีเดียวว่าผเด น, นี้สติปัญญาบังเทพยายดาเราม่รู้ท่าเลยแล้วก็ใกจใัดแจงอหาอยู่รับสาดาทางกันจับตัวตราเป็นทุกตาบลดีแล้วก็ยกอหาตั้งเตือนเลิลกทักกลับ เมืองโลกเีเ่ยมฝ่ายนเบยกกลับมาถึงเมืองฮันเปแล้วคือคนเบงไม่ไม่เข้าเสฉวนะนะครับความนี้อย่างไรก็ตามไม่คอไปเสฉวนสักทีเดียวคือมาพมอยู่ที่เมืองันเปนี่คาเดียวะคบ่งเ น, เนี่ยขอปกลับม า, กากถึงเมืองันเปนงเนี่ยก็ใหาทหาทั้งปวงตอุมกันพร้อมอยู่เออ Okay. <laughs> ก็พอไหวไปหลายครั้งแต่พอผ a ้สามีก็คุณจะรู้ตัวเลยตั้งแต่วันแรกๆนี้ไม่รู้ว่าเขาดูดอะไรกันคือตอนเราเดินมีรถเรือมั ก น, นเห็นว่าทิศตนนำขมาวปรลามากล่าว่วงพินบอกกล่าวไว้ยันนี้ยอดทาัานทั้งสื่นี่ไม่ยอมเชื่อเลยเนี่ยเป็นที่ก็กล่าวปัดขนาดนั้นปั่นเสกก็ยกหานไปตามทางประมาณห0สบเส้นก็พมีฐานทูมากตั้งซุ่มอยู่เห็นด้วยหรอย่ะ ก็จุดปะทัดโหร้องขึ้นแล้วก็ยกเข้าร้อมกองทัพัเกเ็สี่้านเลยเกกบันเกตกยึท่ากลางกองร้มขอนะข้าอนกขัหลักบว่าันเป็นสามัคคทหาราหตันเกเนี่ยันเดียวอะล้มไปรวมในที่รบเป็นอันมากรือประมาณหร้อยก็รบขึ้นตะลุมบอลกันอยู่แต่ทหัรเอาไปก็หักมีดดทหารก็ล้มตายลงไปทีเืย ก็ร้องจระทานก็มาจัดจับเอาตัวขันมีเอียนมีเอียนเดี๋ยยินเสียงถามรถพุ่งคออกระเริดอยู่ข้างหน้านะ่ะก็ยกานให้ไปช่วยโอมปีเข้าไปช่วยแกเอาตัวตันเซกเออกมาจัดที่ร้องได้แต่ฐานที่มันนี่ก็ไม่ลไม่หวานรถพุ่งเซกพันไปเลยทีเดียวดาวถึงเดือนนี้อีกสอฐานนี้ก็ต้องขับรถพุงขึ้นไปช่วยกันเอามีเอียนกับตเซไว้ได้ แล้วก็ได้ไรวข้าพันึงมานที่หอยกลับไปแล้วทั้นสี่นายเนี่ยก็พากันกลบับมาใหยแล้วก็ต้องคิดที่เดียวว่ามหาอุปราชมีปัญญาจริงสู้ใช้โป็นดีมาล่าห้ามปรามเราแล้วเราไม่ฟังจึงเกิดความเสียหาย